กกัสัสสสาารหยดน้ำบนใบบัวคติธรรมและ ชีวประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมบันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี รอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิต ด, ดีณนะตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456โดยบิดานายทองดีและมารดา นางแพงได้ให้มงคลนามว่าบัวท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสิบหกคนในจำนวนพี่น้องของท่าน มีท่านผู้เดียวที่ดำรงอยู่ในสมณเทศและกอบด้วยศีลาารวัตอันงดงามทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวพุทธเราอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศ ถินฐานบ้านเดิมต้นตระกูลเดิมของท่านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามต่อมาพากันอพยพไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในครั้งนั้นได้ตามกันมาหลายบ้านหลายครอบครัวด้วยกันกระทั่งมาพบสถานที่อันเหมาะสมจึงตั้งบ้านเรือนขึ้น และเจริญสืบมาท่านเล่าสาเหตุที่โยกย้ายจนมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่หมู่บ้านตาดดังนี้พวกที่มาจากมหาสารคามนั้นเดิมเป็นคนละหมู่บ้านหมู่บ้าน ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ยกพวกมามาตั้งรวมอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นอันเดียวกันหมดเลยเหมือนกับว่ายากันมีเหตุมาจากแม่น้ำชีท่วมถ้าเวลาท่วมก็ท่วมสะจนไม่มีอะไรจะกินมันจะตายทนไม่ไหวก็เลยมาหาทาเดดูที่ตรงไหนเลยมาได้ตรงนี้เลยเอาตรงนี้ ว่าแลง้งก็แล้งไปเสียถ้าว่าท่วมก็ท่วมไปเสียนี้แต่ท่าเสียท่าเดียวมาหลายปีมันเลยจะตายคนไม่มีข้าวกินก็เลือกกระเสือกกระสนกันจึงได้มาตั้งอยู่นี้ทีแรกมาตั้งที่บ้านคํากลิ่งก่อนยกมากันมากอยู่นะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวครอบครัวเดียวนะ มันมาหลายบ้านรวมกันมาตั้งเป็นบ้านคํากลิง้งจากนั้นก็แยกออกมาเป็นบ้านตาดบ้านนนทันพอสงครามโลกครั้งที่สองพวกทหารญี่ปุ่นพากันยกมาตั้งฐานทัพขึ้นเลยยกบ้านนนทันนี้ออกมาตั้งเป็นบ้านหนองใหญ่บ้านหนองตูมทุกวันนี้ สภาพความเป็นอยู่สมัยนั้นสมัยก่อนณนะบ้านตาดนี้เป็นป่าดงดิบมีทั้งต้นยางตะเคียนทองกระดูและต้นไม้อื่นๆหลากหลายพันมากทั้งปริมาณและขนาดสัตว์ป่าจึงมีชุกชุมไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเสือช้าง ควางเป็นต้นท่านเคยบรรยายสภาพความเป็นอยู่ในสมัยนั้นว่าโอ้ยเป็นดงใหญ่ที่สุดเลยนะตั้งแต่กรมทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมมาเลยละ่ะตั้งแต่เราเป็นเด็กยังเห็นกรมทหารนี้เป็นดงทั้งนั้นนะเขามาตั้งใหม่นะเนี่ย หลวงตาเกิดแล้วเขาถึงมาตั้งใหม่แต่ก่อนกรมทหารอยู่ทั้งบ้านหนองสำโรงเขาเพิ่งย้ายมาทีหลังแต่ก่อนเป็นดงทั้งหมดมีแต่ดงช้างดงเสือเต็มหมดแม้หลวงตามาบวชแล้วบ้านจันทร์ก็ยังเป็นดงอยู่นะ มาใหม่ๆบ้านคำกลิ้งอยู่กลางดงเลยช้างลงกินน้ำตอนกลางคืนเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการทำมาหากินจึงสะดวกหารอบบ้านเอาก็พอแล้วสมัยนั้นการซื้อการขายมันก็ไม่มีตอนหลวงตาเป็นเด็กเราจำได้ใครได้หมูได้กวางมาตัวหนึ่ง เขาก็กินกันทั้งหมู่บ้านแจกกันทั้งบ้านเลยนะไม่มีการซื้อการขายส่งบ้านนั้นบ้านนี้เข้าหากินกันตามท้องไร่ท้องนาพวกอีเห็นกระจ้อนกระแตมันเต็มแถวนี้หมดพวกผู้ปลาอะไรไม่อดไม่อยากตั้งแต่เรายังไม่บวชเนี่ยเสือโคร่งนี้ แอบเข้าไปกัดวัวโอ้ยข้างต้นเสาเรือนเลยนะติดกับบ้านเลยนะเพราะดงติดกับบ้านสัตว์เลี้ยงตามบ้านเขาก็ไม่ได้ผูกไว้ดังนั้นเสือมันพอกินได้มันก็กินทันทีเพราะมันกินได้ง่ายกว่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าตามบ้านมันไม่ค่อยระวังตัวช้าง มันก็เข้าไปกินในสวนเขาสวนก็ติดกับบ้านนั่นนะ่ะมันกินพวกกล้วยพวกอะไรตอนกลางคืนดังปกปกเปกเปกเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเฉยมากขนาดนั้นนะทางล้อทางเกวียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันทำนาก็ทำพอกินเท่านั้น เพราะว่าไม่ได้ซื้อได้ขายพอเสร็จสับการทำนาแล้วเขาก็สนุกสนานกันเพราะไม่ได้ทำงานอะไรการซื้อการขายการรับจ้างอะไรไม่มีแต่ก่อนไม่มีแล้วใครจะมีเงินครัวเรือนหนึ่งมี9ก้าบาท10บบาทถือว่าเป็นธรรมดาแล้วนะ ว่ามีฐานะพอสมควรถ้ามีเป็นร้อยเป็นช่างเขาถือว่ามีมากจริงๆเป็นคนมั่งมีในบ้านนั้นครอบครัวของท่านทำนาเป็นอาชีพหลักและเพราะเหตุที่อยู่ท่ามกลางป่าดงเช่นนี้จึงย่อมหนีไม่พ้นที่จะเจอเจอสัตว์เหล่านั้นฉะนั้น ยามว่างจากนาพ่อของท่านจึงเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำเป็นธรรมดานายพรานย่อมชำนาญในการแกะรอยสัตว์พ่อของท่านก็เช่นกันนอกจากจะชำนาญในทางแกะรอยสัตว์ยังขึ้นชื่อลือชาในการแกะรอยคนด้วยนิสัยช่างสังเกตช่างพินิษพิจารณา จึงน่าจะถูกถ่ายทอดมาถึงเด็กชายบัวหากสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งหลอหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยหนักไปในทางใดทางหนึ่งจริงการอยู่ท่ามกลางปาเสือดงช้างและสัตว์ร้ายนาน า, นาชนิด ที่เป็นภัยอันตรายรอบด้านย่อมสร้างให้คนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีจิตใจเด็ดเดียวอาถานและอดทนเป็นเลิศเด็กชายบัวก็น่าจะรับผลนี้อย่างเต็มภาคภูมิ